ธรรมบทแปลเรื่องพระกัติระวะนิยะเรวตตเถระภาคที่สเรื่องที่79พระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปรารบพระเรวตตเทระผู้อยู่ป่าไม้สแกตรัฐธรรมเตสนานี้ว่าพระอาารันทั้งหลายอยู่ในที่ใด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 นางอุปาจารานางศีสุ ป, ปาจาราและน้องชายสองคนนี้คือจุนทะและอุปเสนะให้บวชแล้วเรวตากุมารผู้เดียวเท่านั้นยังเหลืออยู่แล้วในบ้านลำดับนั้นมารดาของท่านคิดว่าอุปติสะบุตรของเราละรับประมาณเท่านี้บวชแล้วยังชักชวนน้องสาวสามคน น้องชายสองคนให้บวช ด, ด้วยเรยวตะผู้เดียวเท่านั้นยังเหลืออยู่ถ้าเธอจากชักชวนเรวตะแม่นี้ให้บวชไซส์ทรัพ์ของเราประมาณเท่านี้จะชิพหายวงสกุลจะ ก, กาดศูนเราจะปูกเรวตะนั้นไว้ด้วยการอยู่กลองเรือนตั้งแต่ในการที่เขายังเป็นเด็กเธอฝ่ายพระสารีบุตรเทระสั่งภิกษุทั้งหลายไว้ก่อนทีเดียวว่า ท่านผู้มีอายุถ้าเรวะตะประสงค์จะบวชแล้วเดินทางมาไซพวกท่านพึงให้เขาผู้มาดว่ามาถึงเท่านั้นบวชเพราะมารดาบิดาของผมเป็นมิจฉาทิฐิประโยชน์อะไรด้วยท่านทั้งสองนั้นอันเรวะตะจะบอกลาเล่าผมเองเป็นมารดาและบิดาของเรวะตะนั้นตอนมารดาบิดาให้เรวะตะ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 อุปัติศา พ, พี่ชายของเราจะเห็นเหตุนี้แล้วควรที่เราจะหนีไปบวชเสียในวันนี้แหละที่นั้นพวกญาติอุ้มเขาขึ้นสู่ยานอันเดียวกันกับเด็กหญิงผ้าหลิกไปแล้วเขาไปได้หน่อยหนึ่งอ้างการตายอุจจระพูดขึ้นว่าท่านทั้งหลายจงหยุดยานก่อนเถิดฉันลงไปแล้วจะมาดังนี้แล้ว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 เรวัตะจะมาข้างหลังเรวตะนั้นหนีไปจากที่นั่นแล้วไปยังสำนักของพิกสุประมาณ30รูปซึ่งอยู่ในท้องถิ่นแห่งหนึ่งว่า้แล้วเรียนพวกพิกษุนั้นว่าท่านขอรักขอท่านทั้งหลายจงให้กระผมบวชเธอพวกภิกษุท่านผู้มีอายุเทอพสัตป ร, ารดาด้วยเครื่องอลังการพร้อมศัพท์อย่างนี้ พวกข้าพเจ้าไม่ทราบว่าเธอเป็นพระราชโอรสเป็นบุตรของอมาตะจะให้เธอบวชได้อย่างไรเรวตะาพวกท่านไม่รู้จักกระผมหรือครับผภิกษุไม่รู้จักหลอกผู้มีอายุเรวตะกระผมเป็นน้องชายของอุปติสะผู้ภิกษุชื่อว่าอุปติสะนั้นคือใครเรวตะาท่านผู้เจริญทั้งหลาย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 พระศาสดาไม่ได้ทรงยอมให้ไปด้วยพระดํารัสว่าสารีบุตรจงยับยั้งอยู่ก่อนหลังจากนั้นโดยการล่วงไปสองถึงสมวันพระเถระก็ทูลลาพระศาสดาอีกพระศาสดามิได้ทรงยอมให้ไปด้วยดารัสว่าสารีบุตรจงยับยั้งอยู่ก่อนแม้เราก็จะไปตอน เรวตสามเณรบรรลุพระอรหัตฝ่ายสามเณรคิดว่าถ้าเราจะอยู่ที่นี่ไซพวกญาติจะให้คนติดตามเรียกเรากลับจึงได้เรียนกรรมฐานจนถึงพระอรหัตแต่สำนักของภิกษุเหล่านั้นถือบาตรและจีวรที่ยวจาริกไปป่าไม้สแกในที่ประมาณ30โยต์แต่ที่นั้น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 ในเวลาเสด็จไปได้หน่อยหนึ่งพระอนนทเดระยืนอยู่ที่ทางสองแง่งพราบทูลพระาศาสดาว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญบรรดาทางที่ไปสู่สำนักของเรวตะทางนี้เป็นทางอ้อมประมาณ60สิบโยตเป็นที่อยู่ของมนุษย์ทางนี้เป็นทางตรงประมาณ30มสิบโยตอันอัจมนุษย์คุ้มครองพวกเราจะไปทางไหนพระเจาข้า พระศาสดาอานนท์ก็สิวลีมากับพวกเรามิใช่หรือก้อ น, นั้นเป็นอย่างไรพระชค้าอานนท์ถ้าสิวลีมาเธอจงถือเอาทางตรงนั่นแหละตอนพวกพิกสุอาศัยบุญของพระสิวลีเทระได้ยินว่าพระศาสดามิได้ตรัสว่าเราจะยังเข้าต้มและเข้าสวย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 พระเทระให้เทวดาถวายพัดที่นำมาเพื่อตนแกพิกสุสงมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขพระศาสดาพร้อมทั้งบริวารเสวยบุญของพระศิวลีเทระผู้เดียวได้เสด็จไปตลอดทางกันดาลประมาณสามสิบโยชน์ฝ่ายพระเรวตะเทระซึ่งตอนนั้นเป็นสามเณร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 อยู่ในที่นั้นก็เสวยบุญของพระศิวลีเทระนั่นเองก็บรรดาภิกษุเหล่านั้นภิกษุแก่สองรูปในเวลาพระาศาสดาเสด็จเข้าไปสู่ไม้แสแกิลคิดแล้วอย่างนี้ว่าภิกษุนี้ทานวกรรมคือการก่อสร้างประมาณเท่านี้อยู่จะอาจทำสมณธรรมได้อย่างไรพระาศาสดาทรงธทมกิจ คือการเห็นแก่หน้าด้วยการทรงดำริว่าเป็นน้องชายของพระสารีบุตรจึงเสด็จมาสู่ส น, นักของเธอผู้ประกอบเป็นนวกรรมคือการงานก่อสร้างเห็นป่านนี้ตอนพระศาสดาทรงอธิษฐานให้ภิกษุนั้นลืมบริขารก็นในวันนั้นแม้พระศาสดาทรงตรวจ ด, ดูสัตว์โลก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 ล้างหน้าแต่เช้าตรู่เดินไปด้วยตั้งใจว่าพวกเราจะดื่มข้าวต้มในเรือนของนางวิสาขาผู้ถวายอาคันตุกะพัทดื่มข้าวต้มแล้วฉันของเคี้ยวแล้วก็นั่งอยู่ตอนนางวิสาขาถามถึงที่อยู่ของเรวตะลลำดับนั้นนางวิสาขาถามพิกสุกแก่ทั้งสองรูปนั้นว่า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 จึงตรันพระคาานิว่าข้าเมวายะทิวารันเยนินเนวายะทิวาทะเลยะะอระหันโตวิหารติตังภูมิรามะเนยกังแปลว่าพระรานทั้งหลายอยู่ในที่ใดเป็นบ้านก็ตามเป็นป่าก็ตาม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 ที่น่ารื่นรมหมายความว่าภูมิประเทศนั้นเป็นที่น่ารื่นรมโดยแต่ในเวลาจบเทศนาจนเป็นนันมากบรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปฏิผลเป็นต้นแล้วตอนพวกภิกษุปรารภถึงความเป็นไปของพระสิวลีโดยสมัยอื่นอีกภิกษุทั้งหลายสนทนากันว่า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 พวกเธอกล่าวเรื่องอะไรกันก็เมื่อภิกษุเหล่านั้นกลาบทูลเรื่องนั้นแล้วเมื่อจะตรัสบรุรพกรรมของท่านพระสิวลีเทระจึงตรัสว่าตอนบรุรพกรรมของพระสิวลีภิกษุทั้งหลายในกับที่91แต่กับนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพระนามว่าวิปัสสี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 จึงถามว่าท่านผู้เริญน้ำพึ่งท่านขายหรือไม่ไม่ขายหรอกนายเชิญท่านรับเอากหาปณ ะ, ะนี้แล้วจงให้รวงพึ่งนั้นแก่ฉันเถิดขวนบัรดอกนั้นคิดว่ารวงพึ่งนี้ย่อมไม่ถึงค่าแม้สักว่าบาทหนึ่งแต่บุุษนี้ให้ซับกระหาปณ ะ, ะหนึ่งเห็นจะเป็นผู้มีกระหาปณ ะ, ะมากเราควรจะขึ้นราคา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 ท่านจงรับเอาทรัพย์พันกระหาปณ ะ, ะนี้ดังนี้แล้วก็น้อมห่อพันธะเข้าไปที่นั่นคนบ้านนอกกล่าวกับบุรุเหมือนว่าท่านบ้าหรือหนอแลท่านไม่ได้ที่เก็บกหาปณะนะน้ำพึ่งไม่ถึงค่าแม้บาทหนึ่งท่านยังกล่าวว่ารับเอากหาปณ ะ, ะพันหนึ่งแล้วจงให้โรงพึ่งแก่ฉันชื่อว่าเหตุอะไรกันนี่บุตรผู้นั้น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 ชาวเมืองนั้นนิมนต์ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขให้นั่งแล้วถวายข้าวต้มและกองเกี๊ยวให้คนนำถาดทองคำอย่างใหญ่มาให้บีบรวงพึ่งแล้วแม้กระบอกนมสม้มอันมนุษย์นั้นแหละนำมาเพื่อต้องการเป็นของกำนันมีอยู่เขาเทนมสม้มแม้นั้นลงในถาดแล้ว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 นามพึ่งนั้นทั่วถึงได้ด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าพุทธวิสัยใครๆไม่ควรคิดจริงอยู่เหตสีอย่างอันบรักผู้มีพระพาทเจ้าตรัสว่าเป็นเรื่องที่ไม่ควรคิดใครๆเมื่อไปคิดเหตุเหล่านั้นเข้าย่อมเป็นผู้มีส่วนแห่งคนบ้า ท, ทีเดียวด้วยประการชนี้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 แล้วเธอมีความดํารีว่าจะยึดเอาพระนักนหนึ่งจึงเสด็จไปล้อมนคร น, นั้นไว้และส่งส่งสารไปแก่ชาวเมืองว่าจงให้รัชสมบัติหรือให้การยุจชาวเมืองเหล่านั้นต่อว่าจะไม่ให้ทั้งรัชสมบัตินั่นแหละจะไม่ให้ทั้งการยุจดังนีง้แล้วก็ออกไปนําฟืนและน้ําเป็นต้น มาทางประตูเล็กประตูเล็กทากิจทุกอย่างฝ่ายพระราชาที่ล้อมอยู่นั้นรักษาประตูใหญ่สประตูล้อมพระนครไว้สิ้นเจปียิ่งด้วยเจเดือนและเจดวันในการต่อมาพระชนนีของพระราชานั้นตรัสถามว่าบุตรของเราทำอะไรทรงสับเรื่องนั้นว่า ทรงทำกรรมชื่อนี้ก็จึงได้ตรัสกับบุตรว่าบุตรของเราโงา่พวกเธอจงไปจงทูลแก่บุตรของเราว่าจงปิดประตูเล็กๆลกลอมพระนครถ้าเธอทรงสดับคำสอนของพระชนนีแล้วก็ได้ทรงทำอย่างนั้นฝ่ายชาเมืองเมื่อไม่ได้ออกไปภายนอกในวันที่เจ็ด จึงปรงพระชนพระราชาของตนเสียได้ถวายราชสมบัติแก่พระราชานั้นเท้าเธอทรงทากรรมนี้แล้วในการเป็นที่สิ้นสุดแห่งอายุบังเกิดในเอเวจีไม่แล้วในนรกตราบเท่ามหาปัติปีนี้นะขึ้นได้ประมาณโยชหนึ่งจุติจากอัตภาพนั้นแล้วถือปฏิสนธิ ในท้องของมารดานั้นนั่นแหละอยู่ภายในท้องสิ้น7ปียิ่งด้วยเจเดือนนอนขวางอยู่ที่ปากช่องกำเนิดสิ้นเจวันเพราะความที่ตนปิดประตูเล็กๆทั้ง4ภิกษุทรงหลายสิวลีไม่แล้วในนรกสิ้นการประมาณเท่านั้นเพราะคำที่เตอล้อมพระนคัครแล้วยึดเอาในการนั้นถือปฏิสนธิ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 ภิกษุทั้งหลายสนทนากันว่าแม้สามเณรผู้เดียวทำเรือนยอด500หลังเพื่อภิกษุ500รูปมีลาบมีบุญน่าชมจริงประศาสดาสเสด็จมาแล้วตรัสถามว่าภิกษุทั้งหลายแบบนี้พวกเธอนั่งประชุมกันด้วยถ้อยคำอะไรเนาะก็เมื่อภิกษุเหล่านั้นกราบทูลว่า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 เราเรียกบุคคล น, นั้นผู้ไม่โสปราสจากิเลตเพียงดังทุลีเป็นผู้หมดจดว่าเป็นพรามเรื่องพระคธิระวะนิยะเรวตะเตระ